ไม้ชำระฟันหนึ่งร้อยเก้าที่ชื่อว่าไม้ชมระฟันได้แก่ไม้ชมระฟันที่ตัดแล้วหรือยังไม่ได้ตัดภิกสุมีทัยจิตจับต้องไม้ชำระฟันมีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอบัตทุกกฏทำให้ไหวต้องอบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิก